วิธีถอนโรงอุโบสถและกรรมวาจาถอนโรงอุโบสถภิกษุทั้งหลายพึงถอนโรงอุโบสถอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงทร้อมกันแล้วสงพึงถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงถอนรงอุโบสถมีชื่อนี้ ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงโรงอุโบสถมีชื่อนี้สงถอนแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้